รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนท้อใจไม่ก้าวหน้าสีทธีกรณีเฉพาะตนของตาโตอาชีพนักธุรกิจลักษณะางานที่ทำทำกิจการขนาดกลางรายได้ค่อนข้างดีและมั่นคงแต่ก็จะเป็นประเภทเบื่อเบื่ออยากๆ บางวันกระตือเรือร้อนเหมือนคนบ้าพลังขึงขังจะทำโน่นทำนี่วุ่นวายงานหนักแค่ไหนก็ไม่ยัน่นแม้แต่จะให้ศึกษาเพื่อลงทุนอะไรใหม่ๆก็เหมือนมีไฟแรงพอแต่บางวันก็เอืเอยเฉยหมดเรียวแรงไม่อยากทำอะไรสักอย่างวนกับเมียเป็นระยะว่าใครมาซื้อกิจการก็เอาแล้วรู้สึกพอแล้วอยากพักเสี้ยีแล้ว คำถามแรกเคยคิดอยากชวนเมียไปใช้ชีวิตสงบสงบที่ต่างจังหวัดไม่แน่ใจว่าเพื่อปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเพราะปฏิบัติธรรมมานานแต่ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเช่นอุตสาไม่โกรธใครได้เป็นนานสองนานจนนึกว่าตัวเองแน่แล้วแต่วันดีคืนดีเจอเรื่องกระทบไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็โมโหได้เหมือนสมัยยังไม่ฝึกเจริญสติแล้วพอรู้สึกตัวว่าแค่เรื่องไม่เป็นเรื่อง ยังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟก็เสียกําลังใจอย่างมากเหมือนยังไปไม่ถึงไหนและคิดว่าที่ผ่านมาที่ไม่โกรธอาจเป็นเพราะระวังตัวอยู่พอเผลอจริงๆก็เสร็จอยากถามว่าความโกรธเท่าเดิมเป็นเครื่องบอกใช่ไหมว่าอย่างยําอยู่กับที่การเจริญสตินั้นคือการให้ความสําคัญกับการเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เกิดขึ้นในเรา ไม่ใช่ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องระงับความโกรธให้ได้ทุกครั้งอันนี้หมายความว่าจะโกรธก็โกรธไปแต่ขอให้รู้ก็แล้วกันว่าโกรธเห็นเห็นไปว่าลักษณะความโกรธเป็นอย่างนี้นะมีความร้อนมีแรงดันมีความอยากด่ามีความอยากแสดงท่าฮึดฮัดหรือไม่ก็มีความอยากลงมือลงไม้สักตุ๊บสองตุ๊บแค่รู้ว่าโกรธอย่างเดียวไม่พอ ขอให้รู้ต่อไปด้วยว่าความโกรธหายไปตอนไหนวินาทีที่เห็นความโกรธจางลงจากใจนั่นแหละสําคัญที่สุดเพราะนั่นจะเป็นวินาทีที่เราเห็นความไม่เที่ยงของโทสะหากเห็นบ่อยก็จะเป็นโอกาสให้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าความโกรธไม่ใช่ตัวเราไม่มีเราอยู่ในความโกรธเราอาจต้องใช้เวลาสักสองเดือนหรือ30ปีกว่าจะถึงบางอ้อว่า ความโกรธเกิดขึ้นด้วยเหตุเมื่อเหตุดับความโกรธก็ดับแต่จะนานแค่ไหนไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเมื่อเห็นความโกรธไม่ใช่เราจนชำนาญจิตจะไม่ถูกครอบงำด้วยความโกรธแม้ความโกรธจะยังคงเกิดขึ้นอยู่ก็ตามต้องทำความเข้าใจให้ดีด้วยนะครับคนธรรมดาแม้เจริญสติมานานหลายสิบปี หรือต่อให้เป็นพระโสดาบันบรรลุมรคผลชั้นแรกแล้วก็ยังมีความโกรธได้อยู่ขัดเคืองใจได้อยู่แม้พระสกทาคามีบรรลุมรคผลชั้นที่สองก็ยังอาจโกรธได้จางๆคุณต้องบรรลุมรคผลชั้นสเป็นพระอนาคามีแล้วเท่านั้นจึงมีจิตผู้รู้ยากเป็นต่างหากเป็นอิสระไม่ถูกกระทบด้วยเรื่องหน้าขัดเคืองใดๆประดุษอากาศว่าง ไม่อาจถูกคอนทุบฉะนั้นหมายความว่าใครยังไม่ใช่พระอนาคามีแล้วนึกว่าตนเองหมดความโกรธผู้นั้นเข้าใจผิดแล้วอาจถูกกิเลสหลอกหรือไม่ก็หลอกตัวเองอยู่หลายคนเลยนะครับที่แรงอยู่ทั้งวันว่าเมื่อไรใครจะเข้ามาจุดประทัดใส่หูใส่ตาให้เกิดความโกรธพอมาเข้าจริงๆก็ไหวตัวทันแกล้งเอาจิตไปตั้งไว้ที่อื่น ไม่ให้ตาเห็นคนทำท่ากวนโทสะไม่ให้หูได้ยินว่าเขาพูดจาว่าร้ายตนอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าเมื่อทำใจลอยไม่รู้ไม่ชี้อยู่ก็ย่อมไม่เกิดความโกรธเป็นธรรมดาฉะนั้นนะครับเมื่อเกิดเรื่องกระทบแล้วไม่โกรธก็ยังไม่แน่ว่าจะวัดความก้าวหน้าก้าวหลังได้แค่ไหนแต่ถ้าใครโกรธแล้วรู้ว่าโกรธกับทั้งเห็นความโกรธเกิดได้แผ่วได้ หรือเห็นถนัดว่าความโกรธแผ่วแล้วมีสิทธ์กลับแรงขึ้นอีกกระทั่งรู้ว่าความโกรธหาใช่ตัวตนที่จะควบคุมบัญชาไม่ยังนี้ถือเป็นเครื่องวัดได้หรือว่าก้าวหน้าแล้วสติเจริญขึ้นถูกทางแล้วจำไวส้สั้นๆเป็นหลักเจริญสติก็ได้โกรธแล้วรู้ตัวว่าโกรธดีกว่าไม่รู้ตัวว่าแกล้งกดความโกรธเอาไว้หมายเหตุไวส้สหน่อย การระงับความโกรธเป็นเรื่องดีนะครับโดยเฉพาะระงับใจไม่ให้ด่าหรือลงไม้ลงมือในวงเล็บอย่าอ้างว่าลงมือลงไม้ยังมีสติเป็นอันขาดแต่อย่างไรก็ตามในแง่ของการเจริญสติแล้วการระงับความโกรธยังเป็นรองการรู้ความโกรธเพราะการระงับความโกรธเป็นเครื่องเผากิเลส ด, ด้วยขันติส่วนการรู้ความโกรธเป็นเครื่องเผากิเลส ด, ด้วยปัญญาครับฝึกดูจะเปรียบเทียบได้เอง คำถาม ท, ที่สองการที่เหมือนมีสองอารมณ์ขยันมากขี้เกียจมากเดี๋ยวอยากอยู่ทั้งโลกเดี๋ยวอยากสละโลกอย่างนี้จะดูอย่างไรว่าตัวไหนเป็นตัวจริงของเราเราถึงเวลาเลิกทำงานเสียทีหรื อ, อยังคือมีลูกแต่ส่งเขาเรียนจบได้สบายโดยไม่ต้องหาเงินเพิ่มอีกฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องทํามาหากินแล้ว อย่าเพิ่งพูดเรื่องควรทิ้งหรือไม่ทิ้งเพราะอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องของวินาทีนี้เรื่องของวินาทีนี้มีโจทย์ใหญ่กว่านั้นนั่นคือควรเอาสติไปรู้อะไรดีเวลาเบื่อเบื่ออยากๆยากส่วนใหญ่พวกมีสองอารมณ์ประเภทขยันมากและขี้เกียจมากนั้นพอสั่งสมนิสัยนานไปจะลงเอยเหมือนกันหมดคือบทจะบ้างานก็ทุ่มกำลังเกินพอดีซึ่งผลคือ เหนื่อยมากเกินไปแต่บทจะทิ้งงานก็ทอดหุยชนิดกูไม่กลับซึ่งผลคือรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าไม่มีราคาแล้วอะไรที่อยู่ตรงกลางระหว่างขยันเกินกับขี้เกียจเกินก็สติไงครับสตินั่นแหละคือตัวจริงของทุกคนลองเถอะคราวต่อไปเมื่อเกิดกำลังวังชาฮึกเหิมอยากขยันจนเกินพอดี ให้มีสติว่าความทยานอยากมันล้าหน้าไปแล้วเพียงเกิดสติรู้อาการล้าเส้นนั้นคุณก็จะกลับมาหาเส้นที่พอดีได้เองและในทางกลับกันเมื่อขี้เกียจจนเกินเหตุให้มีสติรู้ว่าย่อหย่อนไปแล้วเพียงเกิดสติรู้อาการย่อหย่อนคุณก็จะมีแก่ใจกระ ต, อ ต, ระระตรือรือร้นไปเองเช่นกัน หากทำงานมานานแล้วและแน่ใจว่ามีสายป่านพอจะผ่อนไปได้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตการคิดหยุดทำงานไม่ใช่เรื่องผิดหรอกครับบางคนใช้ชีวิตวัยหนุ่มทุ่มเทกับงานมากเกินงามพออายุเริ่มมากขึ้นก็รู้สึกอ่อนล้าแทบไม่อยากขยับอันนี้ไม่แปลกเลยแต่ชีวิตจะแปลกไปแน่ๆหากคุณหยุดทำงานทั้งโลกแล้วไม่มีงานทางธรรมมาชดเชย ลองอนุ ญ, ญาตให้ตัวเองพักร้อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์ลองของจริงดูว่าถ้าไม่ต้องทำงานทั้งโลกเลยคุณจะอยู่กับการเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อจเจริญสติให้ถึงที่สุดได้ไหมถ้าได้และเป็นสุขดีมีกำลังวังชาพอดีไม่ขยันเกินไม่ขี้เกียจเกินก็เอาเลยครับขอสนับสนุนเต็มที่ให้ขายกิจการเสียเพราะอย่างไรมนุษย์สมบัติก็ต้องแปรไปจะเทียบได้อย่างไรกับนิพพานสมบัติ ที่ได้แล้วได้เลยไม่มีทางเสียให้ใครอีก